พระสุทธิธรรมรังสีคัมพีระเมธาจารย์ท่านพอลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสี่สิบก้าถึงสองพันห้าร้อยสี่ ใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริง ศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยและเมื่อศึกษารู้ถึงความจริงในสิ่งต่างๆแล้ว เราก็จะรู้ว่าธรรมดามนุษย์เราทุกคนย่อมมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรไปในท้ำกลางมีความแตกสลายในที่สุดซึ่งความแตกสลายคือความตายนี้ไม่มีใครปราถนาสักคนเดียว แม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้แต่ว่าความตายนี้ควรพิจารณาว่ามีทั้งคุณและโทษสำหรับบุคคลผู้มีความคิดสั้นๆก็เป็นโทษแก่เขาทำให้ใจหดหูหมดกําลังใจที่จะสร้างคุณงามความดี อะไรอะไรในโลกนี้ต่อไปคือเขาไปเห็นแต่ส่วนตายฝ่ายเดียวส่วนที่ไม่ตายมองไม่เห็นซึ่งความจริงของคนเราทุกคนมีเรื่องอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ตายได้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 คือศูนย์หายไปจากยติมิตรอย่างที่เคยเป็นอยู่แต่สภาพร่างกายได้แปรไปหารูปเดิมของเขาเท่านั้นเช่นธาตุดินก็แปรไปเป็นดินธาตุน้ำก็แปรไปเป็นน้ำ ธาตุไฟก็แปลไปเป็นไฟธาตุลมก็แปลไปเป็นลมเข้าหาที่เดิมของเขาฉะนั้นคนเราจะว่าตายก็ได้จะว่ายังไม่ตายก็ได้ แต่ไม่คงรูปอย่างที่เราเคยเห็นโลกจึงสมมุติเรียกว่าตายนักปราชผู้มีปริชาญาญย่อมไม่เห็นแปลกในเรื่องของความตายเพราะร่างกายนั้นเขาวางเราและหนีเราไปทุกวันทุกวัน แต่เราสิไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวางเขาเสียทีเราติดเขาทุกทุกอย่างแต่จิตใจที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้สิสำคัญเพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่ตายเปลี่ยนแปลได้เพราะเหตุบุญ กรรมเป็นผู้ตกแต่งศีลก็เกิดแต่จิตสมาธิก็เกิดแต่จิตปัญญาก็เกิดแต่จิตบุญก็เกิดแต่จิตบาปก็เกิดแต่จิตจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การที่บุคคลจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จะต้องคลายความยึดถือในตัวตนในรูปนามและในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะหกทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอ อารมณ์ภายนอกต่างๆที่เราเก็บมายึดถือไว้ก็เปรียบเหมือนเราเอาหาบของหนักๆมาวางไว้บนบาถ้าจิตใจของเราตั้งตรงเป็นหลักอยู่กับที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่เสมอแล้วนิวรณและกิเลส ท, ทั้งหลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้การเรียนกรรมฐานทางสันโดษคือให้เข้าใจกำหนดส่วนที่ละเอียด คือการเจริญธาตุลมตั้งสติกำหนดลมเข้าลมออกอย่าวอกแวกไปอื่นพยายามทำลมหายใจให้ละเอียดเข้าต้องประครับประคองลมตลอดทั้งจิตของเราด้วยให้เหมือนกับประคองสำลีในฝ่ามือฉะนั้นจนเรา รู้สึกว่าลมไม่มีอาการเข้าอาการออกจิตไม่วอกแวกสงบเงียบตัดสัญญาอดีตอนาคตเสียได้จึงจะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีความฟุ้งซ่านจิตจะเที่ยงไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะตั้งมัน่น ไม่วันไหวจิตจะเป็นอนาปาณสมาธิจะเกิดกําลังขึ้นขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี้ให้ทำความรู้เหมือนกับเรากําลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆหรือ สาลากลางน้ำหรือกลางทุ่งปล่อยลมออกไปให้เย็นโลง่งใจไม่เกาะเกี่ยวกับสัญญาในอดีตอนาคตทั้งดีไม่ดีทำใจเหี้ยบเฉยปล่อยลมไปให้แรงทั่วตัวเหมือนกับเราพุ่งน้ำออกไปดับไฟถ้าเราทำ ได้ดังนี้และถ้าเราบำเพ็ญความดีจนถึงที่สุดเป็นเหตุละกรรมดีกรามชั่วเสียได้แล้วจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าอมตะคือถึงพระนิพพานได้ในที่สุดนั่นเอง